สิกขาบทที่สาถามทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินเปิดกายไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพัคีเดินเปิดกายไปในละแวกบ้า น, า น, า ใ, น, านในสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุรฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุรฐานหนึ่งสมุรฐานคือ เกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา